ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงราสรว่นชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาทเทมิข้าบเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ร่วมผู้ตื่นผู้เบิกบานกรา วางขันตูนเพื่ขวันตานธรโมมนฺทรานทำเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้ดีแล้วทำบังน้ำมัสสมาบเจ้านมัสการพระธรรมกนะ สุปฏิปนนม์ผังขาวโตนสาวากันสังคนุนพรานสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามีขา้าพระเจ้าน้อมน้อมพระส์ เปิดหนังสือไปหน้า155 151 151ห15สนึรอสนงสต เฮวเมสุตังขามประเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนิวาเอกังสมยังพระควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคทถาเย สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าป่าอิสีปตนามรุคายวันไกพนครนพารานสีตราตโคภควาปัญจวัคคยพิโคอมันเตศีเอตถวะจา นาทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวคี ม, มาแล้วตรัสว่า รูปังบิคเวอนตาาบิกสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนรูปปัญจหิทังบิคเวอัตอาอภาวิสังก็หากว่ารูปนี้เป็นตัวตนแล้วาย ในฐาังรูปังอาพาธายาสังวตยารูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลาเพธาจะรูป เ, เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิตี ทางรูป ย, ยังได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนตามก็เพราะเหตุที่รูปไม่ใช่ตัวตน ตัสสะมารูปังอาพาทายังวัตตีรูปจังเป็นไปเพื่ออาพาธินาจาราปฏิรูปเวยังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหัวสิธี และไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาอนัตตาพิสุททั้งหลายเวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาใจาทางปิกเวอตตาอภวิสา ก็หากว่าเวทนานี้เป็นตัวตนแล้วนายนายทังเวทนาภาธายาสังวัทถยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลเาเทธาจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโอตุเอวังเมเวทนามาโอสิตี ยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยญาสมจาจะโภพิขเวเวทนานะตามก็เพราะเหตุที่เวทนาไม่ใช่ตัวตน ทาสมาเวทนาอาาทายสังวตตันดีเวทนาจึงเป็นใบเพื่ออาพาธ นาจารพติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติและไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย สัญญาอนัตตาพิกสุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ตัวตนสัญญาจะหิธังบิคเวอัตาอภาวิสาก็หากว่าสัญญานี้เป็นตัวตนแล้วใยนา ย, นายทังสัญญาภาทายสังวัตยาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาต ลาเพธาจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีตีทังยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ยาสมาจะโคพิกาเวสัญญาอนัตตาก็เพราะเหตุที่สัญญาไม่ใช่ตัวตนแต่สมาสัญญาอาทาธายาสังวัตตีสัญญาจึงเป็นใบเพื่ออาภาท นาจาราปติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิที แลไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขาราอนัตตาภิสุทั้งหลายสังขารไม่ใช่ตัวตนสังขารใจทางพิขเวอตาอภวิ ส, สังสุ ก็หากว่าสังขารนี้เป็นตัวตนแล้วใายในยิธังสังคาราภภทายสังวัตยโย ก็คงไม่เป็นใบเพื่อพาดราเพทาจะสังขารเลยสูเอวังเมสังคาราฮุนตุเอวังเมสังคารามาอเหสุนตีทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ยาสมาจะโคภิกเวสังคารานตตาก็เพราะเหตุที่สังขารไม่ใช่ตัวตนตาสมาสังคาราภาธายาสังวตัตติ สังขารจึงเป็นไปเพื่ อ, อาาพาณนาจารพาติสังขารสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขาราม า, ม า, าเหสุเดว่าสังขาร ได้แม้ไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณนังอนัตตาภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ตัวตน วิญญาณัณจายทาังพิกเวอาตาอาภาวิสาก็หากว่าวิญญาณนี้เป็นตัวตนแล้วใสได้ยิทังวิญญาณังอาภาทายสังวัตตยาก็คงไม่เป็นใบเพื่ออาภาธ ละเพทาจาวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติทัทงยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ยาสมา จ, จะโคพิขเววิญญาณังอนัตตาก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนถตาสมาวิญญาณังอาพาธายาสังวัตติวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพานนาจาระปาติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุ เมวังเมวิญญาณมาอโหสิตีและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย จางกิงมันยถาภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจจังวาตีภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนยรูปเทียงหรือไม่เทียงอนิจจังพันเดไม่สุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เทียงพระเจ้าขายามปานานิจังดูครั้งว่าตังสุครั้งว่า ก็สิ่งใดไม่เทีย่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราทุกขังปันเดเป็นทุกาาข์ะรเจ้าคะยํอมบานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกันลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอวัง มัเสเมอโเมอั ต, ตเตี๋ยก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทั่วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราโดยเหตุังบันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้า ทังกิ่งมันยาตาพิกาเวเวทนานิจาวะนิจาวะเทียมภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนเวทนาเทียงหรือไม่เทียงกานิจาวันเดพภิกษุเรานั้นกราบทูลว่าไม่เทียงพระเจ้าค่ะ ยามบานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราทุกขังพันเดเป็นทุกข์พระเจ้าขา ยํมบนานิจังดูกังวิปรินามะธรรมังกันหลังโนตางสมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมิเอโสเมอาตาตีกอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็น นั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตั้งพันเดไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้าตั้งกิ่งมันยาดาพิาเวสัญญานิจาวานิจาวาตีพิสูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนะยสัญญาเทียงหรือไม่เทียง านิจจพันเดภิกษุเรานั้นกล่าวทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยํำบณ า, านิจจังทุกขังว่าตั้งสุขังวาทีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราทุกขังพันเดเป็นทุกพระเจ้าค่ะ ยามปานานิจังทุกังวิปรินามะธรรมกันลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอวังมาอัตโนมัสสมิเอโสเมอัตตาตีก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราโดยตั้งพันเดไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขาตังกิงมัญญาถาภิกขเวสังคารานิจาวะนิจาวาที พิสูจน์ทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนะยสังขารเที่ยงหรือไม่เทียงอนิจจาพันเดวิสูเหล่านั้นกล่าวทูลว่าไม่เทียงพระเจ้าคายัมปนานิจังดูครังง้งว่าตั้งสุครั้งว่าตีก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเรา ดุขังปันเตเป็นดุประเจ้าค่ะยามปานานิจังดุขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมานุปัสสิตุเอตังมามาเอโสหามัสสิงเอโสเมอะตาติ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 โลเหตังบันเดไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจาา้าข้าตั้งกิ่งมันยะาพิาเววิญญาณิจังวานิจังวาที พิสูจทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นชนายิ้น ญ, ญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจจาพันเดพีพิสูเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้ยายำปนานิจังดูครั้งว่าตั้งสุขั้งว่าทีก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเร่า ทุกังปันเดเป็นทุกประเจ้ากายัมบานาณิจังทุกังวิปริณามะธรรมังกันลังโนตังสมานปัสิตุเอตังมามาเอโสหามาสมิงเอโสเมอะตาติ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 แต่สมาธิหาพิกเวปิสูทั้งหลายก็เพราะเหตุนั่นแหละอย่างยิ่งที่รูปบางรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอาทิตานาก็ตาปัจจุบันทั้งทีง่เป็นอดีตอ น, นาคตและปัจจุบันอาชิตตังว่าไปตาววภายในก็ตามายนอกก็ตาม โอราริกังวาสุขมังวาอย่ากก็ตามละเอียดก็ตามยี่นังวาปนิตังวาเร็วก็ตามปรนิคก็ตาม ยันดุเรสันติกเควาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามสาพังรูพังเมตังมามาเนโซะมาสสิงนามิโซอัตตาติเอวะเมตังยถาผู้ตังสัมปัญญาทัตถะพังรูทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตางความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอาติตานาคตาปัจจุบันาทางดีเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจาตังวาภาิทาวาภายในก็ตาภายนอกก็ตา โอราริกาวสุกุมาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามนินาวาปณิตาวาเร็วก็ตามปานิค็ตามญาตุเรสันติกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตาม ซาาเวทนาเนตังมามาเนโสหมาสวินาเมโสอตาตติเอวามตัยาถาปุตังสัมภัญญายาถาตาังเวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนีิว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ ตัวตนของเรายากากีสัญญาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอติตานาคตาปัจจุปนานะทางที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน้าจตาวาวาตาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตาม โอราริกังวาสุขุมาวาอยากก็ตามไย่ก็ตามทีนาวาปนิตาวาเร็วก็ตามเรณิก็ตามยาตุเรสันติกเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตาม สาสัญญาเนตังมามาเนโสหามาสมิงนาเมโสอัตติเอวะเมตังยถาผูตังสัมปัญญาญาทตาัมสัญญาทั้งหมดนั้นเถิทั้งหลา เพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า น, น, นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเยเกจิสังคาราสังขารเราไดเราหนึ่งอาทิตานาคตาปัจจุปนาตั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน อาจะตาวาปีทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอราริกาวาสุขุมาวาอยาวก็ตามไร่ก็ตามทินาวาปนิตาวาเร็วก็ตามเร็นก็ตามเยตุเรสันติกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตาม สาเบสังการาเนตังมะมะเนสสหามาสามิงนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปัญญายะทัตตาังสังขารทังหลา<ะ>ันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม ใช้ตัวตนของเรายังยินจิวิญญาณงความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอธิตานากคตาปัจจุบันนัทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจตั้งว่าพหิทธาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตาม โอราเรกังวาสุขุมังวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามนินังวาปานิตังวาเร็วก็ตามปณีิก็ตามยันดุเรสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตาม สาบางวิญญาณเนตังมะมะเนโซะมะ ส, สมิงนเมโซะตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตาบังความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวังปัสสังเบกเวสุตตะวะอริยสาวกโอภิสุทัง้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้รูปปัตสิมิงนิพินดาดียเมื่อไหนในรูป เวทนายปินิพินดาติยะเมื่อในในเวทนาสัญญายปินิพินดาติยะเมื่อในในสัญญาสังขารสุปินิพินดาติยะเมื่อในในสังขาร วิญญาณสมิงปินิพินดาตีย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณนิพินทางวิรัชตีเมื่อเบื่อหน่ายย่อมไกลกำหนัดวิราคาวิมุตติเรภรสิงกำหนัดจิตก็รุดพร วิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติญาณังโหติเมื่อจ<ม>ิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณย่างรูว้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วขีนาชาติวุตสิธรรมจรัชญาญรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมอาจารย์อยู่จบแล้ว กางการณียังนาบเร่งอิทตตาญาติปัจานาติติจิตที่ควรทำได้กระทำสำเร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วอิทามาโวจัภกวามพระภูมิพระภาช้าได้รันอนตา ร, รักานาสุดนี้จบแล้ว อาตามะนาปจาวากียาปิคูปะกวโตภาสิตัองอะภินันดุมปิสุปันจาวะคียตังก็มีใจยินดีชื่นชมในพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมินเจปนาเวยาการนาสิมิปัญญามานิ ข้อขณะเมื่อพระภูมีพระภาคเจ้ากำลังตรัติสนาพระภาสิณิอยู่ปัญจวัคคียานังปิคุณังอนุปาทฐายาสเวหิจิตาเนวิโมติงสุที ที่สุปัญจว่ากี่ก็มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายพร้อมไลยยึดมันถือมันด้วยอุปาทานอยางนี้แล้วจบสวดมนต์เช้าบทพิเศษคตตรักคณะสุดต่อไปเราก็ปฏิบัติร่วมกันจนถึงเวลาสมควร